สิ่งที่เราคิดถึงเนี่ยมันคือความจริงทำยังไงจะเราจะดึงวิชาอารยศัพท์ลงในสิ่งนั้นได้อะเพราะถ้าหากว่าเรารอให้มีเวลาเนี่ยแน่ใจแค่ไหนว่าจะมีเวลาจริงสมมติอย่างสนทนารธรรมเนี่ยเดี๋ยวว่างๆก่อนนะหรือเรามีเวลาหายเหนื่อยก่อนแนละ้วสนทนามาถามว่าเมื่อไหร่เนี่ยนะมีคิดว่าเป็นไปได้ไหมจากวันนี้ไปถึงจนกว่าบ้านเนี่ยนะ ที่จะมีเวลาได้สนทนาไม่ค่อยมีมันก็ต้องแบ่งเอานะจากที่มีอยู่เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ให้มันเป็นไปได้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ฉันคิดถึงแม้กระทั่งคิดถึงใครก็ช่างเถอะคิดถึงการงานของเราก็ช่างเถอะที่ไหนก็ช่างเถอะคือไม่หลงลืมอรารยศาสตร์ด้วยอาชีพก็ประกอบไปฉั้นสา ม, มาอาชีพเนี้ย อ, อยู่แต่ว่าลูกเยอะหลานมากทำไงที่เราคิดนอสออย่เงี้ยนะนึกโอ้โหมาดูอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็อย่างนี้แหละนะถ้าเราใสา่ใจไปจริงๆอนะนึกถึงใครก็นึกไปเถอะอาจารย์ปนิชจะคิดถึงเด็กสงเคราะห์ก็ชาติชารามรณะเดี๋ยวแกก็แก่เหมือนฉันนี่เละเนี่ยนะพวกชาลามรณะทั้งหลายเอ้ยเนี่ยนะก็ใส่ใจได้หมดอาจาย์ปนีชเป็นคนทํางานสาธารณกุศลอยู่รับเลี้ยงเด็กพ่อแม่เข้าครอบโอ้ละ่ะเป็นร้อยมั้งไม่มีลูกอาจารย์ปนีชเป็นนอส อ, อยู่แต่ว่าลูลกเยอะ ล้านมากใครนีนอส อ, องเงี้ยนะนึกโอ้โหมาดูอีกครั้งเลยแล้วก็อย่างนี้แหละนะถ้าเราใสา่ใจไปจริงๆอนะนึกถึงใครก็นึกไปเถอะนี่ทุกเนี่ยไม่มีผิดหรอกแล้วก็ไม่มีใครที่ไม่มีโสกะปริเทวะทุกขโทมานัตอุปาญาต์ลองไล่ไปถามดูเถอะวัตถุแห่งโสกปริเทวทุกขโทมานัตอุปาญะทุกคนเลยทุกขันด้วยแม้กระทั่งนึกถึง อารมณ์ทั่วๆไปนะแม้กระทั่งเนี่ยพรมที่เรานั่งเนี่ยมันโศกะกันเท่าไหร่เอ้าคนมานั่งแถวนี้โศกะปริเทวทุกขโทมนัทเท่าไหร่โรงแรมเนี่ยคนโศกกะปริเทวทุกขโทมนัทอุปายาเท่าไหร่เนี่ยนะถ้าถ้าพิจารณาให้ดีๆเนี่ยนะถามว่ามีไหมมาที่นี่แล้วมาเสียใจร้องไห้หน้าดูเลยนะมีไหมมาป่วยนี่เห็นเนอยู่แล้วใช่ไหมของคณะเราเนี่ยหลายเจ้าแล้วมามาอะไรนะมาชาราพยาธิเนี่ยไม่มีอยู่แล้วนะมาจุติล่ะ เขาไม่บอกเราว่าลูกค้าคนไหนเขามาตายเนี่ยเขาก็จะเก็บเงียบมานี่ยทำไมจะตายไม่ได้อ่ะที่ไหนสักตายไม่ไบ้างฝันท่านนึกถึงอะไรสักอย่างหนึ่งนะเนะ่สาวไปเถอะวา่าแม้โสกะปริเทวะพระพุทธเจ้าสิ้นชีวิตที่กุศินราระตรงนั้นเนี่ยกี่ครั้งเารู้ไหมเจ็ดครั้งพอดีถ้าเจ็ดครั้งนี่ของมาเชื่อว่าเฉพาะกับเนี่ยนะปรสิ้นชีวิตตรงนั้นเนี่ยเจ็ดเจ็ดครั้งชาติที่แบบชาติยิ่งใหญ่เลยนะเป็นกษัตริย์เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ย ครั้งที่เจ็ดพอดีตรงนั้นไม่มีครั้งที่แปแล้วพาะปรินิพพานเรียบร้อยแล้วแล้วของเราเนาะที่ไหนดีเนาะเนี่ยนะก็ดูคิดถึงที่ไหนแล้วจุติไม่ได้บ้างอยู่ที่ไหนแล้วจุติไม่ได้บ้างถ้าอยู่ที่ไหนแล้วไม่จุติแล้วจะพาพวกกันไปไหนได้ศึกษารธรรมะอีกสักยี่สิบปีนะนะเก้าสิบเนี่ยโอ้ยพกไปเทียบเลยครับ น, นี่มันไม่มีที่ที่ว่าอย่างจริงจัง ของเราเนี่ยนะจริงๆเราอย่างถ้าใครคิดแบบสจัจจะนิดนึ่งนะที่ที่เราคิดถึงที่ที่เราจะไปก็คือไปหาที่อะไรนะแต่ว่ามันไม่ค่อยกล้าคิดความจริงเหล่านี้เท่านั้นนะทำไมนั่งรออะไรนั่งรอความตายไปไหนก็ไปตายจริงๆก็ถ้ามองเลยไปอีกขณะจิตเดียวก็ไปเกิดใหม่ไปหาที่เกิดใหม่ ซึ่งสังสารวัฏกระแสที่ไหลไปอย่างนี้เนี่ยคลายกำหนัดจากวะตะคิดยังไงจึงจะคลายกําหนัดจากวัฏตะได้เนี่ยนะเบื่อกรรมเบื่อวิบากเบื่อกิเลสเบื่อแบบไม่มีอภิชากตโทมนัดเอาตรงเนี้ยากมากห้ามโกรธนะพอ น, นี้หยุดประชักเห็นหน้าใครก็ชักไม่ามาพบอรหัตตมรรคเนี่ยจึงจะดับปฏิสนธิจริงๆทั้งๆทีไม่มีอริยมรรคนะไม่มีอะไรดับมันได้ดับยากมากๆเลยนะจิตเนี่ย ดับวัตตะนี่ถ้าไม่มีอริยมรรคเนี่ยดับไม่ได้จริงๆทีนี้การทําปริญชาจนกว่าจะมีอริยมรรคเกิดขึ้นเนะยอริยมรรคคืออะไรคือความคลายกําหนัดจากวะตะคิดยังไงจึงจะคลายกําหนัดจากวะตะได้เนี่ยนะเบื่อกำเบื่อวิบากเบื่อกิเลสเบื่อแบบไม่มีอภิชากะโทมนัตเอาตรงนี้ยากมากห้ามโกรธนะพอนี้ทุกข์มากก็เอ๊ะชักเห็นหน้าใครก็ชักไม่โสมานัตนะต้องกลับไปเจริญเมตตาก่อน นะให้มีความสุขนะมีอายุยนืนนะกินข้าวอิ่มกินอิ่มนอนหลับทำมาหากินดีนะสุขภาพแข็งแรง น, นะประกอบด้วยความสุขอย่าเบียดเบียนกันนะให้มีความสุขมีอายุยืนทั้งเขาทั้งเราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขให้ทุกคนเลยนะพอเริ่มสบายจิตสงบมีเมตานี้ทุกใหม่ <c oughs> นี่ชาติชรามรณาโศกปริเทวะทุกโทมนันัตอุปายานนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเครียดยั ง, ยงไงเอเริ่มเครียดอีกละ เริ่มชักไม่ค่อยโสมานะแล้วเริ่มดูท่าเหมือนจะแช่งคนอื่นให้ตายแล้วหน้าความจริงจนจะเอาสิเพราะการเจริญอันนี้ห้ามเมียพิชากะโทมานัทไอตรงเนี่ยที่ที่เราไม่เหมือนศาสไม่เหมือนอย่างอื่นเนี่ยนะเป็นการวิจัยที่เรียกว่าเป็นความบริสุทธิยุติธรรมอย่างแท้จริงทําด้วยความสุดจริตใจจริงๆ นะไม่เอ็นเอียงไปด้วยอํานาจทิฐิอย่างใดอย่างหนึ่งเลยไม่เอ็นเอียงไปด้วยอํานาจตันหาอะไรแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ไม่ใช่โทสะด้วยแต่มองชีวิตตามเป็นจริงที่มันจริงที่สุดเท่าที่มันจะจริงได้เนี่ยนะเพราะการตรัสรู้พระนิพพานอันเป็นปรมธัธัสดจะด้วยความหลอกลวงอันนี้เป็นไปไม่ได้ต้องการพิจารณาความจริงจนจะจนสมควรกับการตรัสรู้ปรมาธัสดจะอันเป็นของจริงที่สุดเท่าที่จะจริงได้เนะี่ย พันการคิดเนี่ยแล้วไม่ได้อีกคิดแบบอะไรไนหะอย่างกลางวันเนี่ยนะถ้าใสายแว่นเนี่ยมันจะครึ้มตลอดเลยทําไมวิวสองข้างทางนะสงบร่มรื่นเย็นไปหมดเย็นทางตานะแต่ทวารกายเนี่เหงื่อแตกพักไปแล้วนะแต่ว่าอันทวารตานี่ดูเย็นไปหมดเลยนะด้วยนูภาพอะไรเล่นตาใช่ไหมมันก็เลยมองเห็นภาพข้างหน้าไม่ตามความเป็นจริงอะไร ชันใดก็ดีผู้ที่มีอภิชายอมจิตก็เหมือนกันจะไม่มองโลกตามความเป็นจริงโทสะปะทุสร้ายตางความคิดก็มองโลกไม่ตามเป็นจริงนเนี่ยนะมันจะต้องไม่ถูกเบียดเบียน ด, ด้วยอำนาจอภิชากับโทมนัทแล้วพิจารณ์ไม่ฟุ้งซ่านจนกว่าจะเกิดแก้ด้วยคำมัฐานอะไรถ้าโทมนัทเกิดอินทรีย์พอพอแก้ไปจนสงบระงับเจริญใหม่อภิพานอันเป็น่นี้จนจะเห็นปรมาทสัจจะอันสงบละเอียดนเนี่ย มันก็มีมีศาสนาเดียวที่สอนให้ทําอย่างนี้นะปกติถ้าทําให้ได้สบายสบายสงบสงบก็พอแล้วใช่ไหมแต่เวลาพักผ่อนแล้วนะแค่ทาให้ทําให้สบายใจนี่ถือว่าดีเยี่ยมแล้วใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่ไปพิจรารณาพอพิจราพพจรณาเอามากไปไม่ได้พักผ่อนบ้างแต่พักผ่อนด้วยกรรมฐานด้วยความไม่ฟุ้งซ่านจนกว่าจะปรับแต่งจิตนะทั้งทั้งปรับ อินทร์ศรพระโภชงจนกว่าจะสมดุลกันนู่นแหละจึงจะตรัสรู้พระนิพพานอันเป็นประมัทสัจจะได้ทีนี้อ่ทั้งให้ไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงไม่เพล่อ อ, อะไรนะไม่คํานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงในขณะเดียวกันต้องเข้าใจว่าบุคคลพุ่งงอนเงนในธรรมะปัจจุบันเป็นยังไงงอนแงนในธรรมะปัจจุบันนะ เช่นบางแห่งก็บอกอธิบายเพลดิดเพลินในจักขคูเพลดิดเพลินในรูปเพลดิดเพลินในหูเพลดิดเพลินในเสียงนี่แหละเรียกว่า ง, ง้อนแงนในปัจจุบันหรือด้วยอํานาจอตามเห็นว่ารูปเป็นเราเห็นรูปเป็นอัตตาอัตตามีรูปอัตตาอยู่ในรูปรูปอยู่ในอัตตาเนี่ยนะพวกนี้แหละเรียกว่า ง, ง้อนแงนธรรมะปัจจุบันคือไม่ได้ไม่ได้กําหนดว่าอย่างกําลังเห็นอยู่ขณะนี้ก็คืออะไรความประชุมของ ขันท่าความประชุมของอายตนะความประชุมของธาตุนะนะความที่ปัจจัยประชุมกันนั่นแหละการเห็นจึงมีขึ้นแต่สําคัญว่าเป็นอะไรเห็นเราเห็นเป็นต้นเนี่ยนะก็คือไม่ได้รู้ตามสภาพที่เป็นจริงนะถามว่าจริงๆริงจริ ง, รงแค่ไหนความจริงก็คืออาศัยจากขู่กับรูปเกิดจากขู่วิญญาณเป็นต้นสิ่งเหล่านั้นคือความจริงทีนี้ผูท้ที่มีอภิชากับโทมนัสเนี่ยนะ หรือผู้ที่มั่นเน่นในธรรมะปัจจุบันก็สำคัญว่าเราเป็นจักขู่จักขู่เป็นเราใช่ไหมบางพวกบางพวกก็ถือว่าความรู้สึกเป็นเราเราเป็นความรู้สึกบางพวกก็บอกอ่าการเห็นเป็นเราเราเป็นผู้เห็นเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งคนไม่ไม่ไม่เข้าใจในคำสอนเหล่านี้เนี่ยนะเขาค่อนข้างงงเลยนะถ้าฟังเรื่องเหล่านี้ อย่างสมัยก่อนในของมาศึกษาําไมตกลงแล้วมันใครจะเห็นกันแน่ถ้าไม่ใช่เราแล้วใครอ่ะนะบางทีก็น่าคิดเหมือนกันนะมันน่าสงสัยเหมือนกันนะคือคือไอความเป็นเราด้วยอํานาจทิฐิหรือด้วยอํานาจตันห์รวมกันทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจเหล่านี้ก็คือขันห้าประชุมกันถ้าขันห้าประชุมกันเนี่มันคืออะไรก็คือทุกมันประชุมกันขึ้นนะนะทุกไหนประชุมกันชาติทุกประชุมกันขึ้นนะะชราทุกก็ ประชมกันเคลื่อนมรณะทุกส่วนฝึกทวารตาหมายความว่าทําความเข้าใจจนละเอียดละอทีทุ่นทั้งหมดเลยนะทุกทวารนะอย่างเช่นขันห้าในทวารตาว่าเออขันห้าจริงๆนะทวารตาเนี่ยขันประชมขันห้าประชมกันนะที่ได้ยินเสียงก็คือขันห้าประชมกันทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจเหล่านี้ก็คือขันห้าประชมกันถ้าขันห้าประชมกันเนี่มันคืออะไร ก็ S 1> <S 1> คือทุกมันประชุมกันขึ้นนะ่ะนะทุกไหนประชุมกันชาติทุกข์ประชุมกันขึ้นนะ่ะนะชาทุกก็ประชุมกันขึ้นมรณะทุกโศกทุกปริเทวะทุกก็ประชุมกันขึ้นนะ่ะนะถามว่าการเห็นเนี่ยโสกะนํามาซึ่งโสกะได้ไหมถ้าไม่จะไม่ได้ถ้าไม่เห็นนะ่ะสิบางทีไม่มีโสกใช่ไหมทั้งเห็นทั้งไม่เห็นมันก็เกาะนํามาซึ่งโสกะอย่างเต็มที่นั้นทุกทาวารเนี่ยเป็นทาวารที่ตั้งแห่งโสกะ ปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาได้หมดเลยแต่ปุตุชนผู้ไม่ได้สะดับกลับไม่ได้คิดอย่างนี้เลย น, นะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นโลกของปุตตชนนะัมันแอบหวังต้องการแต่ขันห้ามันมันหิวในขันห้าจริงๆเลยนะหิวอะไรบ้างกด็ดูเริ่มหิวหิวอะไรรูปกระขับแล้วเบลเ บ, บ, บกันแล้ว <laughs> นึกถึงก็ ก็อย่างที่กล่าวว่ามันคิดยังไงมันก็ไม่เกินขันห่านะคิดวนอยู่ในโลกของขันห่าเพลิดเพลินด้วยอำนาตันหามานะและทิฐิอันนั้นเป็นลักษณะของปุตุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นไออาการดังกล่าวมานี้เนี่ยพระองค์สอนว่าอยา่าอย่าทําแบบนั้นนะเนีคืออยา่าคํานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอำนาจตันหามานะทิฏฐิไม่ควรหวังขันห่านในอนาคตด้วยอำนาจตันหามานะทิฐิแล้วก็ไม่สําคัญขันในปัจจุบันด้วยอำนาจ ปัญหามาท่าทิศตกลงให้ทําไงให้เห็นว่าในอดีตก็คือขันท่าอนาคตก็คือขันท่าปัจจุบันก็คือขันท่าขันท่าในอดีตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาฉักสูตนี้เป็นสูตรที่ยืดหยุไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาฉันั้นขันท่าในปัจจุบันจากพระเทกรัตสูตรเนี่ยนะกลายเป็นว่าเป็นอธิบายว่าการเจริญวิปัสสนาคือต้องมีอารมณ์ปัจจุบันท่านห้ามคิดถึงอารมณ์ในอัจนจนอารมณ์ พรากปัญหามานะทิ่ทีในอุปาทานขันห้าได้ทั้งหมดนั่นแหละมันถ้าใครจเจริญได้ตามนี้ก็ชื่อว่าปฏิบัติตามพระเทกรัตสูตรแต่ว่าพระสูตรนี้เป็นสูตรที่แปลว่าในยุคใหม่อธิบายไปอธิบายมาไม่รู้มันคืออะไรไปแล้วจากสูตรนี้เป็นสูตรที่ยืนยันว่าต้องเนี่ยต้องอารมณ์ปัจจุบันเท่านั้นนะจากพระเทกรัตสูตนี่นะ กลายเป็นว่าเป็นอธิบายว่าการเจริญนิพพ ส, สนคือต้องมีอารมณ์ปัจจุบันทห้ามคิดถึงอารมณ์ในอดีตห้ามพิจารณาอารมณ์อน า, าคตต้องให้อยู่กับสภาวะคืออารมณ์ที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นก็ก็กลายเป็นอะไรนะขึ้นไม่ดูพุทโ ธ, ธคือนิเทศเลยว่าพระ อ, องค์ขยายไว้ยอย่างไรไม่ดูคาอธิบายที่เป็นพุทน์และอัตตกถาเลยเนี่ยนะก็เจอแต่พยัญชนะก็เลย ถือเอาตามความเข้าใจของตัวเองแล้วก็ปล่าวปฏิเสธคำสอนในส่วนอื่นๆ อ, ออกไปเนี่ยละก็น่าเห็นใจมากะนะเออมาตอนต้นพระอาจารย์พูดถึงเรื่องสมมสาสัญาณนะครับสงสัยว่าที่ท่านสอนให้พิจารณาตามวัยนะครับทำไมถึงจะต้องแสดงไปตามลำดับอย่างเช่นแบ่งวัยออกเป็นร้อยปีเป็นสามวัยแล้วก็มาแบ่งอีกเป็นสิบช่วงใช่ครับ แล้วก็เป็นยี่สิบช่วงยี่สิบห้าช่วงคือแบบจกราทั่งเป็นซอยเท้าเป็นก้าวอย่างนี้นครับคือความจริงพิจารณาตามวัยหยาบๆเนี้ย ก, ก็ก็รู้อนะ่ะเพราะว่ามันก็มาจากสิ่งเดียวกันก็คือชีวิตของเราแต่ว่าการที่มาแบ่งให้มันทีลงทีลงเนี่ยจุดประสงค์คืออะไรฮนะคือเกี่ยวเวลาที่อำนาจของปัญหา ม, มานะัที่ที่มันมันคิดเนี่ยนะ เวลามันตันหามันชอบนะ ม, นบ ม, นะ ม, นมันเลือกชอบได้หมดเลยนะมันมันเลือกชอบได้หมดเลยนะบางทีมันชอบมันชอบอยู่แค่เป็นช่วงนะนะสมมติโดยที่สุดใช่ไหมอย่างทําไมจึงจึงมาอะไรนะที่เรียกเหมันกับยกย่าง ย, าย้ายหย่อนเหยียบยันอะไรเนี่ยเอาต้องมาพิจารณาละเอียดขนาด น, นี้นะจริงๆแล้วเนี่ยเราติดมากเลยดูดูจากอะไรรู้ไหม ภาพถ่ายในส่วนนั้นช่วงนั้นตอนที่กําลังเดินแบบนั้นอะไรแบบนั้นเนี่ยนะจริงๆเราติดมากนะในในในสภาพเหล่านั้นเพราะการเจริญเนี่ยถ้าเริ่มมีการเอาเอ า, เอาชีวิตมาทําไปปริญญาทั้งทั้งสรุปชีวิตทั้งหมดทุกวัยมามาทําปริญญาอย่างดีแล้วนะเพราะเวลาคิดถึงอารมณ์ใดมนุษยการถึงอารมณ์ใดพันเพราะได้ทําปริญญาไว้หมดแล้วเหมือนอย่างว่าอารมณ์นั้นเลย เมื่อเมื่อเมตากับเขามากเนี่ยนะหรือในกลุ่มใดที่เรามีเมตตาต่อเขามากคิดถึงวันหลังก็มีเมตตาทันทีฉันใดการที่พีสงสัยเลยมนน่าเชื่องเป็นทุกเป็นอนันตาไว้มากแล้วเวลาคิดถึงสิ่งเหล่านี้ในวันหลังทุกหังหรือเมื่อไหร่ก็ตามนั้นๆันเ น, น, นการการฝึกซ้อมแบบแบบมีวิธีการแบบมีหลักการเนี่ยนะ พันในตอนหลังเนี่ยถ้าไม่ได้ใส่ใจโดยลำดับแบบนั้นแวบถึงชีวิตในอดีตบ้าก็เห็นอนะนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาพเหล่านั้นเพราะได้ทำปิญญาไว้หมดแล้วเหมือนอย่างว่าถ้าบุคคลใดที่เราเจริญเมตตากับเขามากเนี่ยนะหรือในกลุ่มใดที่เรามีเมตตาต่อเขามากคิดถึงวันหลังก็มีเมตตาทันทีฉันใดการที่พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไวมากแล้ว เวลาคิดถึงสิ่งเหล่านี้ในวันหลังในครั้งหลังหรือเมื่อไหร่ก็ตามโดยที่สุดเหมือนเผลอคิดไตายนะก็ยังคิดด้วยอนิจจังทุกขังและอนัตตาโดยที่สุดแม้แต่กุศล ญ, ญาณวิทย์ประยุทธ์ก็ยังเป็นเล่นไปโดยอนิจจังทุกขังและอนัตตาเพราะความชํานาญนะนะแต่เวลาอย่างว่างๆเนี่ยสมงุราธาเวลาตัณหามันนึกนะบางทีไม่รู้มันนึกทําอะไรอนะคุณญาตาเคยไม่อยู่ๆแล้วมันแวบเมื่อถึงวัยสักอายุห้าขวบอย่างไงยนะ มันไม่เกี่ยวอะไรกับตอนเนี้ยมันเอามานึกทําอะไรเคยมีไหมนึกอยอะๆบอยบินไปที่ไหนก็อนไม่รู้มีไหมหลุดโลกไปเลยอะ่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตมันอย่างว่านะของใครเน่ยอย่างวันตอนเนี้ยขาเย็นๆมานั่งรถมาเนี่ยผู้การเล่าถึงตวัดเนี่ยพักเลึงแล้วอาอละสมัยนั้นนะผมมาดูงานนะงานแรกอะไร สมัยนั้นเนี่ยผมมานอนข้างโรงแรมแขกอะไรเงีย้ยก็คือคือป๊อบมาจําคือถ้าหากว่าวัตถุใดที่ไม่เคยเอามาทําปัญญาเนี่ยนะคือจริงๆแล้วนะคือแล้วแต่ว่าใครมีโอกาสถือไหมนะมันก็อย่างว่านะคนนั้นก็จะพูดออกมาแหละมันก็เหมือนๆกัน น, นั่นแหละแต่ว่าคนลรช่วงอะไรเจ๊หมวยบออะอาปีนั้นนปีนั้นมาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพูดหูเพิ่งอะไรเป็นต้นก็จะเข้ามาล้วคือจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆคือจะไม่ใส่ใจโดยไตรลักเลยจะไม่ใส่ใจโดย สามัญลักษณะเลยจะไม่สามัญไม่ใส่ใจโดยวิปัสนาเลยถ้าไม่ไ ม, ไม่ไม่ฝึกทําปริญญาเอาไว้ให้ดีๆเนี่ยเ น, นีไม่เอาชีวิตของตัวเองทุกแง่ทุกมุมในอดีตหรือเท่าที่ควรจะเป็นมาทําปริญญาไว้หมดพอคิดไปปป๊บหนก็ด้วยอํานาจของความเพลิดเพลินแล้วเ อ, อคนที่จะอบรมปริญญาหรือว่าจะเบื่อหน่ายนี่ต้องเออบรมสมัสนัญญาตามแบบอย่างนี้ในยะเดียวเลย มีนัยยะอื่นคือคนเขาอาจจะไม่ต้องใช้ได้นะแต่สรุปว่าให้มันัยโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแผนอะไรมากมายแต่ถ้าถามว่าชีวิตของพระพิสุที่ถ้าถ้าเราเราต้องแบบสมมติว่าตัวเองเป็นนัก บ, บวชเนี่ยนะศึกษาธรรมะอนาคตและปัจจุบันธรรมสองร้อยหนึ่งนะพูดเราหัวข้อธรรมสองร้อยหนึ่งคูณสิบคูณอดีตอ น, นาคตปัจจุบันแล้วเล่นไปโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างว่องไวนั่นแหละจึงจะ พอจะเป็นบาทการตรัสรู้ได้ถ้าไม่ไวก็โหอีกน้นอยหนึ่งนะท่านก็าการมนรัษยการถึงพระไตรลักณ์เนี่ยจึงคือบางคนเขาอาจจะไม่ต้องใช้แบบมากอะไรใช่ไหมคือสำหรับผู้มีปัญญาบางคนเ็าไม่ต้องมีแบบมีแผนอะไรมากมายแต่ถ้าถามว่าชีวิตของพระพิสุที่ถ้าถ้าเราเราต้องแบบสมมติว่าตัวเองเป็นนักบวชเนี่ยนะศึกษาธรรมะว่าเราเป็นคนที่อยู่เงียบๆอยู่นิ่งๆเนี่ย หรือมันอะไรแวบขึ้นมาก็อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอะไรแวบขึ้นมาก็อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาถามว่ามันเพียงพอไหมถ้าคิดแบบคิดแบบมีขั้นมีตอนมีแบบ ม, แบบมีแผนเนี่ยนะอันไหนจะดีกว่ากันยังไงยังไงเพราะถ้าคิดแบบมีมีแบบมีแผนอาตามหลักสมัมมาสนาญาณมันก็ทําให้ไม่สับสนนะจะมองในแง่ไหนก็ไม่สับสนแต่ถ้าหากว่าแบบแวบอะไรขึ้นมาก็อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแบบไม่ค่อยมีระบบเนี่ยนะบางทีมันก็สะดุดเหมือนกัน ใช่อย่างท่านแสดงว่าเห็นอะไรก็ชาติชรามรณะชาติชรามรณะอันนี้นะครับก็รู้สึกว่าเออถ้าคิดอย่างนี้มันรู้สึกง่ายแต่ว่าถ้าคิดตามสมัชชานิยา น, นี้มันรู้สึกว่าจ ะ, จะต้องจัดระบบของความคิดคือถ้าถ้าคิดแบบเราแบบคิดอะไรก็ชาติชรามรณะนึกถึงอะไรก็ชาติชรามรณะมันง่ายในตอนแรกแรกเริ่มเนี่ยไม่ยาก แต่ว่าถ้าต้องคิดทั้งวันเนี่ยนนี้เริ่มยุ่งแล้วคือคือมันเหมาะอะไรนะไอ้แบบเบื้อนการฉบับกระเป๋าอะมันมันสะดวกที่เป็นลักษณะฉบับกระเป๋ามากอะนะเห็นนึกขึ้ใครก็เออชาติชรามรณะเพราะมันขี้เรื่องนั้นอยู่ไม่นานเพราะมันมันเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมเปลี่ยนไปเรื่อยเรือยรื่อยอยู่เป็นเดี๋ยวก็ชีวิตมันเกี่ยวข้องกับอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าถามว่าต้องไปนั่งอยู่โคนไผ่เนี่ยนะมองเห็นแต่ต้นไม้ทั้งวันจะไปคิดว่ายังไงนะ ไอ้ตรงนี้แหละที่ค่อนข้างยากที่จะต้องฝึกศึกษาให้มันเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นอะไรเนี่ยนะมันก็จะง่ายในการแสดงง่ายในการลําดับข้อมูลแล้วก็อตอนหลังนะท่านเหล่านี้ถ้าต้องเป็นผู้มาแสดงก็จะไม่สับสนเนี่ยนะเมื่อพูดถึงสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่รู้สึกสับสนอะไรเพราะว่าไอ้ความชั่นานที่จะมองอะไรจนคล่องเนี่ยนะเหมือนอย่างว่าผู้ที่อยู่ในอ ย, อย่างโรงแรมที่เร า, าพักอยู่เนี่ยนะสมมติเรามีสิบห้าชั้นใช่ไหม ถ้ามีสิบห้าชั้นเนี่ยถ้านั่งนึกนะแต่ละชั้นเนี่ยมีกี่ห้องแล้วแต่ละห้องมีกี่เลี้ยวแล้วนั่งนึกอย่างเงี้ยทุกชั้นทุกชั้นถ้าคิดอยู่อย่างเงี้สักร้อยรอบเนี่ยนะวันหลังจะมีการสรับสนไม่อะไรเป็นอะไรนึกส่วนไหนก็จะไม่ยังรวดเร็วอันนี้มันก็เป็นกลับมาเทียบดูกับว่ า, าวิธีฝึกแบบสาธยายที่แบบว่านี้ทุกอะไรก็ ถ้าเผื่อว่าคนพูดจนคล่องปากเขาเจออะไรก็นี้ทุกนี้ทุกแต่ว่าถือว่าขั้น อ, อ่าจะให้แล่นไปในความเป็นไตรลักษณ์อั น, นิีจังทุกขังอนัตตาให้ชวนาจิตแล่นไปอย่างรวดเร็วหรือว่าอย่างที่ท่านใช้ศัพย์ว่ายิงไกลยิงไวคือไม่ทราบไม่คือเมื่ออารมณ์ใดๆกระทบก็จิตก็แล่นไปเลยในความเป็นอันนีจังทุกขังอนัตตาอย่างรวดเร็วอันนี้มันก็เป็น กลับมาเทียบดูกับว่าอาวิธีฝึกแบบสาธยายที่แบบว่านี้ทุกอะไรนี้ก็ถ้าเผื่อว่าคนพูดจนคล่องปากเขาเจออะไรก็นี้ทุกนี้ทุกแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ผ่านขั้นอขั้นขั้ น, นอวิปัสสนาญาณที่หนึ่งที่สอง อ, อย่างชํานาญของมาจากการแนะนําว่าขอให้มันขึ้นต้นตรงไหนก็ได้ให้มันขึ้นสักแห่งหนึ่งก่อนนะนะให้ให้อะไรนะ มันมันให้มันขึ้นจากตรงไหนก็ได้ของมาอยากจะให้เป็นแบบนั้นมากกว่าที่เรียกว่าเอาคนเนี่ยมันต้องตรงนี้ก่อนนะมันต้องตรงนี้ก่อนนะที่อื่นมันขึ้นอย่างอื่นผิดหมดอะ่ะขึ้นอย่างนี้เท่านั้นจึงจะถูกเนี่ยคือไม่อยากให้มีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกสูตรใช้ได้หมดอะ่ะคือพ้นถ้าถ้าทุกสูตรเนี่ยใช้ได้หมดเนี่ยเราจะขึ้นต้นสูตรไหนก็ได้ เสร็แล้วก็เออนี้ทุกทุกยังไงอะค่ อ, คอยไหวที่เนี่ยนี้ทุกข์ทุกนี้สังขารทุกข์นี้วิปริณามาทุกข์แล้วทุกข์กับทุกมีกี่อย่างวิปริณามาทุกข์มีกี่อย่างสังขารทุกข์มีกี่อย่างค่อยๆไล่ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้มันมีจุดเริ่มต้นสว่างไม่งั้นเออมันต้องแบบฟอร์มมันต้องอย่างนี้ก็เลยใครไม่คิดเหมือนฉันผิดหมดอย่างเงี้ยมันก็เลยยุ่งมากๆเลยอ่ะอะไรเนี่ยมั น, มนที่จะถามต่อไม่ได้จะถามว่าต้อง สามขั้นตอนที่หนึ่งที่สองที่สามนะจะถามว่าถ้าเกิดคนที่ชำนาญจริงๆที่จะมองอะไรก็เห็นว่าเออนี้เป็นความทุกข์นี้มันไม่เที่ยงนี้เป็นอนัตตาโดยที่ว่า เ, ออเขาอาจจะแบบว่าไม่ต้องมาเรียนรายละเอียดทาหัดทาปริญญารูปสี่สิบห้าห้าสิบห้าอะไรงนี้ก็ไม่ต้องมาแจกแจงรายละเอียดซึ่งซึ่งหลายคนนี้จะแบบว่างงแบบว่า หลายคนที่แบบไม่ได้เรียนอภิธรรมมัธสังคารก็จะแบบว่ารู้สึกว่าเป็นภาระมากหนักมากเธอถ้าอะไรเนี่ยมันมันเป็นลักษณะว่าถ้าคนแรกๆเนี่ยอยากให้แค่ซกไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวมันเข้าใจเองเละเหมือนเหมือนพวกนักเรียนอนภะิธรรมแรกๆก็เข้าอเองแต่ถ้าหากว่ามันไม่ขึ้นเลยนี่สิมาตรงนี้เนี่มาขอให้คุณทําไมมันไม่ต่อได้เลยนะแล้วคุณก็จําได้เองเละการคิดธรรมะก็เหมือนกัน ขอให้เขาเนี่ยให้ให้เขาคิดเป็นธรรมะประธรมโมไว้บ้างในใจของเขาเนี่ยแทนที่มันอากุศลทั้งวันทั้งคืนเนี่ยให้มันเป็นธรรมะธรรมโมอยู่ในใจวันละสิบยี่สบครั้งหรือวันละร้อยครั้งเดี๋ยวมันจะค่อยๆประติประต่อกันได้เองเนั่นนะคือขอให้เขาเริ่มต้นสักจุดหนึ่งเถอะนั่นนะจากสูตรไหนมาก็ได้นันะถ้าเป็นท่าของธรรมมาอยู่เกี่ยวข้องด้วยนะพรรมมาจะชมหมดเลยเดี๋ยวที่เหลือเราจะพาเขาร้อยเอง แต่ถ้าหากว่ามันไม่ขึ้นเลยนี่สิมัตรงนี้นี่มันเราเนี่งงเลยทำไมมันไม่ต่อได้เลยนะซึ่งถ้าถ้าถ้าเขาขึ้นจากสูตรใดสูตรหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ว่าเลยนะยินดีด้วยเลยขึ้นจากพระวินัยก็ได้ขึ้นจากพระสูตรก็ได้ขึ้นจากพิธรรมก็ได้เดี๋ยวเราที่เหลือเราก็ค่อยๆพาเข้าไปะจะไม่ปฏิเสธเขาแต่ถ้าหากว่าจะต้องเหมือนเราอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะชีวิตอย่างของมาจะไม่เคยคิดให้โยมมาเป็นเหมือนตระมาเลย หนึ่งสังคมสิ่งแวดล้อมมันต่างกันการใช้ชีวิตแตกต่างกันการเป็นอยู่แตกต่างกันอะไรก็แตกต่างกันหมดแล้วจะให้เขามาคิดแบบเปาอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้อยู่แล้วขอให้ขึ้นต้นเถอะคําสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอะนะขึ้นสูตรไหนก็ได้เพราะทุกสูตรก็คือชี้แนวแห่งโลกุตระชี้ส่วนแห่งโลกุตระคือมันก็ว่าชี้ดวงอาทิตย์เนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ทั้งเหอะขอให้ชี้ดวงอาทิตย์เป็นใช้ได้ ชั้นใดก็ดีขึ้นจากสูตรไหนก็ได้ที่ชี้อริยสัจให้เห็นอริยสัจจะขึ้นจากพยัญชนะไหนก็ได้หรือมรรแต่จะขึ้นมรรคองไหนก่อนก็ได้แต่สําคัญที่สุดคืออย่าขัดกับมรรคอื่นๆเป็นใช้ได้แต่ถ้าหากว่าเราเออเาแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเกินไปมันก็คือเราพูดอีกอย่างหนึ่งมันจะไปเบียดอีกอย่างหนึ่งทันทีคือถ้าทำเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยมัชฌิมนิกายสามสิบสี่สูตรมัชฌิมนิกายร้อยห้าสิบสองสูตร สังยุตตนิ迦เจ็ดเจ็ดหกสองก็เจ็ดพันหกร้อยเอ่อเจ็ดพันเจ็ด้ยหกสบสองสูตรอังคุดเก้าพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดสูตรเนี่ยนะคุตการนิกายอีกสิบห้าคำพีอภิธรรมอีกเจ็ดคำพีคือทพวินัยอีกห้าคำพีแต่และอย่างนี้เป็นสวากขาโตหมดเลยที่เราสวดทุกวันทุกวันธรรมังนามาสามีเนี่ยนะ สวาัคขาโตเพราะว่าตาทำมโมแต่ถ้าเราเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเกินไปปั๊บเราจะบอกว่าเอสูตรนั้นก็ใช้ไม่ได้สูตรนี้ก็ไม่ได้สูตรนี้ดีกว่าเอสูตรอื่นไม่ใช่สวาคขาโตสูตรนี้สวาคขาโตอยู่สูตรเดียวย่งเงนะก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วก็แต่ละสูตรเนี่ยก็บงไร่ละโดยมากนะแต่ละสูตรก็เท่ากับหนึ่งธรรมะขันด้วยซ้ําไปถ้าหนึ่งธรรมะขันก็เท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ตัวต่อไปข้างหน้าเราก็จะได้สังวรแม้กระทั่งเมื่อวานวานก่อนเนียนะ ที่ยกอะคัดทูปประมาสูตรขึ้นมาก็เพื่อที่จะเตือนบางท่าน ท, ที่ที่ที่มีความรู้ความสามารถที่จะสามารถกล่าวถือกันนี้คิดด้วยว่าให้ให้สิบสิบปีแล้วบุญทำไม่ได้มากก็ไม่เป็นไรอย่าได้ทำบาปไว้ก่อนก็แล้วกันเนี่ยมันเสียใจภายหลังเพราะการกล่าวธรรมะก็ลักษณะเดียวกันก็นก็อยากให้ให้เป็นแบบนั้นมากกว่าคือคือของหลายท่านในในที่นี้เนี่ย เป็นผู้ที่อาจจะมีบุญได้กล่าวธรรมได้ไดไดสนทนาธรรมได้อะไรหลายๆครั้งเนี่ยนะต่ อ, ตอไปข้างหน้าเราก็จะได้สังวรแม้กระทั่งเมื่อวานวานก่อนเนี่ยนะที่ยกอัลลัคตูปะมะสูตรขึ้นมาก็เพื่อที่จะเตือนบางท่านที่ที่ที่ทมีความรู้ความสามารถที่จะสามารถกล่าวธรรมมะวินัยได้ว่าใ ห, ให้ให้ให้คิดให้ดีๆคือไม่ได้ห้ามแต่ว่าเป็นอะไรนะเอหวังดใีให้ให้ได้ยินสูตรนี้เอาไว้ก่อน จะได้อยู่นิโสมนสิการถูกว่าอะไรสมควรอะไรไม่สมควรที่กล่าวเมื่อกี้ก็ลักษณะเดียวกันแต่เขาเข้าใจที่คุณพูดแต่ว่าอยากจะบอกอบางอย่างสำหรับบางกรณีกับบางคนเพราะว่าที่พูดนี้ก็บันทึกไว้ด้วยแล้วก็วันหลังใครที่ฟังก็าอาจจะได้ไปให้ได้คิดไว้บ้างอนะให้มีแง่คิดไว้บ้างจะได้ไม่ลาบากในภายหลังคราบมัสการเจค่ะค่ะ วันนี้พระคุณเจ้ากล่าวถึงเรื่องนิมิตอนุพยัญชนะเจ้าค่ะอยากให้แสดงสุพนิมิตแล้วก็ปฏิฆานิมิตนะคะแล้วก็นิมิตอย่างอื่นอีกหรือเปล่าเจ่ค่ะหลายๆอย่างเธอสามว่านิมิตก็ค่อนข้างกว้างอะนะเช่นสมถานิมิตวิปัสสนานิมิตเป็นต้นนะนะ แต่ทีนี้ถ้าเป็นนิมิตอนุพยัญชนะตรงนี้เนี่ยโดยมากเป็นสัพท์ที่ใช้กับอินทรีย์สังมอนคิดง่ายๆว่าถ้าใส่ใจว่าสุขาษณเนี่ยนะอะไรจะตามมาสมมติอะง่ายๆอย่างงี้ยเลยนะถ้าใส่ใจว่าห้องนี้นะงามมากเนี่ยนะอะไรจะตามมาบางคนนี่ก็เริ่มคือคือมันไม่ได้หยุดแค่นี้เนะี่ภายในห้านาทีนะบางคนเนี่ยสร้างบ้านได้หนึ่งหลังแล้วเนะี่ยจากเห็นภาพเนี่ยเขามาดูจากใครนาะจากเพื่อนคนหนึ่ง ที่เจ้านี้เห็นอะไรปับ๊บมันว่าแปลนบ้านเลยอีกพักเดียวอะไรมาแล้วม า, ม า, มาดูนี่นี่ น, น, นี่เป็นอย่างนี้เขาจากดูภาพหนึงภาพเลยนะเขาจะตามมาจินตนาการนะถ้าเจ้คนนี้เนี่ยถ้าถ้าสร้างบ้านได้ตามที่ไปฝันเอาไว้นะโอ้โหสร้างบ้านแต่ครึ่งเมืองแล้วคนเดียวเนี่ยก็นี่คือลักษณะถือโดยสุภาณิมิตเนี่ยนะเขาไปเห็นอะไรปับ๊บมันนีก็นํานเอาไปนํามาซึ่งกายกรรมวจีกรรมแล้วตามมา ะแต่ถามว่าถ้าคิดแบบนั้นเนี่ย่ประสงค์จะสร้างบ้านไหมไม่เนี่ยนะแต่ละหลายๆเรื่องเนี่ยบางเรื่องนี้คิดอยู่สองนาทีแค่นั้นนะแต่เครื่องชีวิตเลยในการปฏิบัติการสมมติถ้าเป็นพระบิดตัวนั้นเออเนี่ยนะวัดเรานะเราจะต้องอย่างนั้นนะรอบ ม, มาแล้วอย่างที่พระรูปหนึ่งท่านเล่าให้ฟังวันก่อนใช่ไหมนั่งไปมันก็มีแต่อิฐหินตูนทรายปุ้งกีมาแล้วว่างั้นนะ่ะนะ มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะนี่คือการถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะพร้อมที่จะไปเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้มันจะตามม า, านะแต่ถามว่าถ้าคิดแบบนั้นเนี่ยกใกล้ต่ออริยสัจเข้าไปไหมไม่เนี่ยนะแต่หลายๆเรื่องเนี่ยบางเรื่องนีคิดอยู่สองนาทีแค่นั้นนะแต่ขึ้งชีวิตเลยในการปฏิบัติการตามไอตัวความคิดตัวนั้นขึ้นมาเนี่ยนะอันนั้นเระเรียกว่าการถือโดยนิมิตแลอ อนุพยัญชนะเพราะวัตถุประสงค์ของการห้ามไม่ให้ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะเพื่อต้องการไปคิดอริยสัจเป็นการวางพื้นฐานให้ไปตึกเนคขมะวิตกตรึกเป็นสวัฏฐานตรึกเป็นวิปัสนาเพื่อจะได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจคือวัตถุประสงค์พระองค์ต้องการให้ได้สูงกว่านี้นะนะไม่ต้องการให้มาติดในสิ่งที่เป็นไปกับชาติชารามรณะคืออยากให้ไปเห็นสิ่งที่พ้นจากชาติชารามรณะมากกว่านั่นะคือวัตถุประสงค์ที่ไม่ให้ถือโดยนิมิตแล อนุพยัญชนะเนี่ยนะเพราะบางคนเนี่ยเวลาไปเห็นเอาะไรไปแป๊บมันกลายเป็นนักสะสมทันทีเลย น, นะบางคนเนี่ยชอบกล้องถ่ายรูปนะสะสมกล้องถ่ายรูปไว้เต็มไปหมดเลยผลของการถือโดยนิมิตกับอนุพยัญชนะแล้วก็บางคนอีกเหมือนกันนะเป็นคนที่มีเมียกเกือบทุกเมืองอะ่ะเอออย่างนี้ก็มีอันนี้เป็นผลของการถือโดยนิมิตแล้วอนุพยัญชนะเนี่ยนะ บางคนเนี่ยรายได้ก็ต่ำ ม, มากนะแต่ว่ามันเของมามีญาติทางห่างอยู่คนนะี่มันมีเมียเดือบทุกจังหวัดปัญหาเงินแต่งเมียอย่างเดียวเขาบอกว่าไปแต่งคนที่สามไปแล้วเนี่ยนะเขาบอกพ่อไปแต่งงานให้ผมหน่อยก็อบอกอไปแต่งได้ที่ไหนก็ไปไม่ต้องบอกอีกแล้วต่อไปเนี่ยว่าไปแต่งให้มาสองสามคนแล้วไม่เอาแล้วบางคนเนี่ยเป็นเอาขนาดนั้นนะ อายุซึ่งไม่สักสามสิบต้นต้นเองเนี่ยนี่เมียก็โว้ยมากจังหวัดแล้วอ่ะคิดดูมีลูกไปว่าโอ้ โ, อโหโนามสกุลมันจะเยอะไปไ ป, ไปเที่ยวแผลนามสกุลนี่เต็มไปหมดแล้วถามว่านี่เกิดจากอะไรก็ก็ถือโดยนิมิตนะนะแล้วถามว่าพวกนี้เชื่อเรื่องกรรมไหมโวยไม่สนใจแล้วเรื่องกรรมแล้วผลของกรรมเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เอาแล้วฉะนั้นการถือโดยนิมิตหรือถ้าถือโดยปฏิฆานิมิตอะไรจะเกิดขึ้นสมมติถ้าเทาถ้าถือโดยปฏิฆานิมิตนะ ทำไมแกนั่งอย่างนี้เอา้าทําไมคนนี้ทําหน้าอย่างนั้นทําไมคนนั้นเป็นอย่างนั้นทําไมคนนั้นพูดมากจังอะไรเนี่ยนะคุกคลีกัน น, นะมันก็จะตามด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งจนได้จนหนักๆเข้าอาริยสัจไม่ถือเป็นประเด็นหลักแล้วว่างั้นนะ่ะไม่ไม่ถือการพิจารณาทาการเจริญกุศลเป็นประเด็นหลักมันจะไปเรื่องอื่นไปหมดเลยอันนั้นเป็นผลลักษณะพานิยถือโดยนิมิตและเลยอ่ะคำพูดที่เขาพูดมาเนี่ยเรารู้ว่ามีอะไรเป็นเบื้องหลัง เป็นผลของการถืออะไรนิมิตมาก็จะเข้าใจเลย ท, ทันทีแล้วมันจะเริ่มถ้าปล่อยให้อาการถือนิมิตตัวนั้นมันกำเริบอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเป็นปฏิฆานิมิตก็ที่มาของการทะเลาะกันถ้าเป็นสุภานิมิตเป็นที่มาของการคลุกคลีกันะนะมันก็จะตามด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งจนได้จนหนักๆเข้าอาริยสัจไม่ถือเป็นประเด็นหลักแล้วว่างั้นนะ่ะไม่ไม่ถือการพิจารณาทําการเจริญกุศลเป็นประเด็นหลักมันจะไปเรื่องอื่นไม่หมดเลย อันนั้นเป็นผลลักษณะของการถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะเนี่ยนะซึ่งโดยสรุปการถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะถามว่านำมาซึ่งอะไรนำมาซึ่งทุจริตสามผลของาการถือทั้งสุภนณิมิตทั้งปฏิฆานิมิตนะนำมาซึ่งทุจริตสามนำมาถ้าเป็นสายปฏิฆานิมิต จะนำมาซึ่งขาดกายกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตาขาดปัจีกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตาขาดบโนกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตาอันนั้นเป็นผลของการถือโดยปฏิฆานิมิตถ้าถือโดยสุภานิมิตล่ะก็ที่มาของเบาที่สุดคือเดรฉ า, านกถาเบาอย่างเบาเลยนะเดรฉ า, านกถาถ้าเพิ่มมากกว่านั้นกก็ปิสุนาวาจาเป็นอะไรอย่างอื่นก็ตามมาอีกเยอะเนี่ยนะสมมติถ้าเข้า